ภาบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะพึงลุก อุการะสกาลุนยังกตวาปัพพชังเทถะเมภันเตต่อไปนี้ สัจจกะระณัตถายะอิมังกาสาวังขเหตุตวาปัผภาเชทะมังภันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพทุกขะนิสสลนะนิพพานะสัจจกะระณัตถายะ นิสสลนะนิพพานะสัจฉิกะระณัตถายะอิมังกาสาวังอุปปาทายะต่อนั้นพระอุปชายะรับผ้า ปัผาเจทะมังภันเตอนุคัมปังอุปาทายะสัพพทุกขะนิสสลนะนิพพานะสัจฉิกะระณัตถายะเอตังกา ปภาเชทะมังขันเตอนุกัมปังอุปาทายะในลําดับเกสานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา Sampai